ลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชให้ตีกลองเป่าร้องในพระนครว่าชาวเมืองจงเล่นมโหรสบใหญ่ตลอดสัปดาห์คนเหล่าใดมีความรักในตัวเราคนเหล่านั้นทั้งหมดจงทำสักการะและสัมมาณะแก่มหโหสถบัณฑิตเถิดพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าชาวเมืองซึ่งนับว่าเกิดในแคว้นมคธจงดีดพินทั้งปวง จงตีกลองเล็กกลองใหญ่และมโหระทึกจงพากันโหร้องบรรลือเสียงให้เสียงแท้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าจงดีดอาหารยันตุได้แก่จงประโคมดนตรีคำว่าชาวเมืองซึ่งนับว่าเกิดในแคว้นมคตมาคทาสังขาได้แก่นับว่าเกิดในมคตทารัตคำว่ากลองใหญ่ ทุนทะพีได้แก่กลองใหญ่โตลำดับนั้นชาวเมืองและชาวชนบทเหล่านั้นตามปกติก็ใคร่จะกระทําสักการะแก่มโหสดบัณฑิตอยู่แล้วรันได้ยินเสียงกลองเป่าร้องก็ได้ทําสักการะกันเหลือล้นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าพวกฝ่ายในพวกกุมารพ่อค้าพราหม กองช้ากองมา้ากองรถกองราบชาวชนบทและชาวนิคมร่วมกันนำข้าวน้ำเป็นอันมากมาให้แก่มโหสดบัณฑิตชนเป็นอันมากได้เห็นมโหสดบัณฑิตกลับมาสู่กรุงมิถิลาก็พากันเลื่อมใสครั้นมโหสดบัณฑิตถึงแล้วก็โบกผ้าอยู่ทั่วไปบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพวกฝ่ายใน อโรธาจะความว่าพวกฝ่ายในมีพระนางอุทุมพรเทวีเป็นต้นคำว่าร่วมกันนำมาอะภิหารยุมความว่าให้นำไปยิ่งคือส่งไปคาว่าชนเป็นอันมากพหุชนความว่าภิกษุทั้งหลายชนเป็นอันมากทั้งชาวพระนครทั้งชาวบ้านสี่ประตูเมือง ทั้งชาวชนบทได้เลื่อมใสแล้วคำว่าเห็นมโหสถบัณฑิตกลับมาทิศวาปันดิตะมาคเตความว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตมากรุงมิถิลาเห็นมโหสถบัณฑิตนั้นคำว่าโบกผ้าอยู่ทั่วไปประวัตธธิธถะความว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตถึงกรุงมิถิลา มหาชนดีใจกล่าวว่ามโหสถบัณฑิตนี้ปลดเปลื้องพระราชาของพวกเราที่ตกอยู่ในอำนาจของปัจจามิตรให้ปลอดไทยก่อนภายหลังยังพระราชาร้อยเอ็ดให้ขมาโทษกันและกันทาให้สามาคีกันยังพระเจ้าจุลนีให้เลื่อมใสพาเอายศใหญ่ที่พระเจ้าจุลนีประทานมาแล้วได้โบกผ้ากันอยู่ทั่วไป ลำดับนั้นพระมหาสัตว์ไปสู่ราชสำนักในวันสุดมโหระพกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพควรที่พระองค์จะส่งพระราชมารดาพระราชเทวีและพระราชโอรสของพระเจ้าจุลณีไปเสียโดยเร็วพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังคำมโหสถก็ตรัสว่าดีแล้วพ่อเจ้าจงส่งไปเสีย มโหสดทำสักการะใหญ่แก่กษัตริ์ทั้งสามนั้นและทารรสักการะสัมมาณะแก่เสนาผู้มากับตนทรงกษัตริ์ทั้งสามแม้นั้นกับพวกชนของตนไปด้วยบริวารเป็นอันมากทรงภรรยาหนึ่งร้อยคนและทาสีสี่ร้อยคนที่พระเจ้าจุลณีพระราชทานแก่ตนมอบถวายไปกับพระนางนันทาเทวี และส่งแม่เสนีผู้มากับด้วยตนไปกับชนเหล่านั้นพระนางนันทาเทวีสวมกอดพระธิดาจุมพิตที่พระเศียรแล้วตรัสว่าแม่ลาเจ้าละแม่ไปละตรัตชนิทรงกันแสงคร่ำครวญด้วยศัพท์สำเนียงอันดังฝ่ายพระนางปัญจาละจันทีผู้พระธิดาทรงกราพระราชมารดาแล้วทรงโศกาดูนทูลว่า พระมานดาอย่าละทิ้งลูกก่อนกษัตริย์ทั้งสออกจากพระนครด้วยบริวารเป็นอันมากถึงอุตรปัญจาลนาครโดยลำดับลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีพรหมทัตตรัสถามพระราชมารดาว่าข้าแต่พระมานดาพระเจ้าวิเทหราชทรงทำอนุเคราะห์แด่พระองค์อย่างไรพระนางเจ้าสลากราชชนนีตรัสตอบว่า พ่อตรัสอะไรพระเจ้าวิเทหราชตั้งแม่ไว้ในฐานะเป็นเทวดาได้ทำสักการะแก่เราตั้งนันทาเทวีไว้ในฐานเป็นพระราชมารดาตั้งพ่อปัญจาลจันทกุมารในฐานเป็นราชกนิธะพาดาพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับพระราชชนนีรับสั่งก็ทรงยินดียิ่งนัก แล้วส่งบรรณาการเป็นอันมากไปถวายพระเจ้าวิเทหราชจำเดินแต่นั้นกษัตริย์เจ้าพระนครทั้งสองก็พร้อมเพรียงชื่นชมอยู่แลมหาอุมมังคกันจบ